บทนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปพุทธคุณบทว่าโล ก, กวีทูที่แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกนั้นท่านได้จำแนกโลกเอาไว้เป็นหลายประเภทด้วยกันที่กล่าวมาในวันก่อนนั้นเป็นเรื่องของ โลกคือแผ่นดินที่เรียกว่าโอกาสสโลกแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังรู้แจ้งสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์ทั้งหลายคำว่าสัตว์ในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงผู้ที่จิตใจยังเกี่ยวข้องอยู่ด้วยอำนาจกิเลสและเกี่ยวข้องอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายจนทำให้สัตว์เหล่านั้น เกี่ยวข้องอยู่ในกระแสแห่งสังสารวัฏศสตร์ใดที่ยังไม่ตัดกระแสแห่งกิเลสขาดไปศาสตร์นั้นก็ยังชื่อว่าสัตว์ที่แปลว่าผู้ข้องอยู่ศาสตร์นั้นพระพุทมีพระภาคเจ้าได้รู้แจ้งสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์โดยนยะต่างๆเช่นทรงรู้แจ้งโดยกาเนิดว่าสัตวโลกทั้งหลายนั้น เมื่อลราวโดยกำเนิดแล้วก็แบ่งออกเป็นสี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกได้แก่สัตว์ที่บังเกิดในคันประเภทที่สองเกิดในไข่ประเภทที่สามเกิดในสิ่งสกปรกและประเกต ป, ประเภทที่สี่เกิดโดยโอปปาติกะที่แปลว่าเกิดโดยผุดขึ้นเติบโตเป็นวิญยูชนในขณะนั้นๆกำเนิดทั้งสี่ประการนั้น สิ่งที่มีอิทธิพลในการจำแนกแบ่งแยกก็สงชี้ไปที่กรรมคือการกระทรรมของสัตว์ทั้งหลายในชาติก่อนและในชาติปัจจุบันแตกต่างกันเมื่อกามที่บุคคลได้กระทำไว้แตกต่างกันแล้วก็มีการจำแนกแบ่งแยกให้คนและสัตว์ทั้งหลายแตกต่างกันไปตามแรงของกรรม อย่างในกรณีที่บุคคลได้บังเกิดในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นปฏิรูประเทศคือมีโอกาสที่จะศึกษาเรียนประพฤติปฏิบัติได้ง่ายการบังเกิดในสกุลที่ดีมีรูปร่างดีมีผิวพรรณดีมีพื้นฐานทางสติปัญญาดีตลอดทังมีแนวโน้มอัธยาศัยน้อมไปในธรรมะน้อมไปในความดีเป็นต้นนั้น ทรงจำแนกกเห็นว่าเกิดขึ้นจากผลแห่งกุศลกรรมที่บุคคลเหล่านั้นได้กระทําไว้ในปางก่อนเรียกว่าปุเพกตะบุญญตาคือผู้มีบุญอันได้กระทาไว้ในการก่อนและในขณะเดียวกันสัตว์เหล่านั้นอาศัยบุญในการก่อนของตนนั่นเองเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้มีอัธยาศัยน้อมไป ในการควบหากับท่านสัตบุรุษได้ฟังคำสั่งสอนของท่านพิจารณาถ้อยคำแห่งคำสอนเหล่า น, นั้นแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัตินำให้บุคคลผู้นั้นตั้งตนไว้ชอบตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาบุคคลประเภทนี้ก็มีโอกาสที่จะตกแต่งภพชาติของตนให้มีความประณีตยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่ายังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแต่พบชาติก็มีความประนีตจริงๆขึ้นไปความทุกข์ซึ่งเป็นสภาวะที่สัตว์ทั้งหลายไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ในด้านของทุกเวทนาด้วยอำนาจบุญกุศลเหล่านั้นก็จะทำให้สัตว์เหล่านั้นประสบสิ่งที่เป็นทุกข์น้อยลงและโดยในยะนี้เองก็ได้ทรงแสดงให้เห็นว่า สาต์ทั้งหลายเมื่อกล่าวโดยกำเนิดมี4อย่างที่ว่ามาแล้วแต่เมื่อกล่าวโดยขันก็แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันคือมีขัน5มีขันหนึ่งและมีขัน4ี่คำว่าขันแปลว่ากองหรือกลุ่มหรือหมวดก็สุดแล้วแต่จะหมายถึงเรื่องอะไรในที่นี้ก็หมายถึงกองแห่งรูปกองแห่งเวทนาเป็นต้น ผู้ที่มีขันหก็ได้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีขันสก็ได้แก่พวกอรูปพระพรมซึ่งเกิดขึ้นด้วยกำลังแห่งอรูปไปฌานที่บุคคลเหล่านั้นได้ประพฤติปฏิบัติจากสมถกรรมาฐานที่คืบคลานพัฒนาจิตไปโดยลำดับจนถึงอรูปไปฌานเวลาทำกาลกิริยาไปแล้วก็จะบังเกิดเป็นอรู ป, ประพรม ส่วนที่เป็นขันหนึ่งนั้นได้แก่พวกอสัญญีสัตว์คือสัตว์ที่ตายด้วยนิโรธสมาบัตในขณะนั้นท่านดับสัญญาดับเวทนาได้เมื่อตายไปแล้วก็บังเกิดเป็นรู ป, ปรพระรมหรือเรียกอีกในยะหนึ่งว่าพรมลูกฟักและได้ทรงจำแนกประเภทของสัตว์โลกโดยพบโดยภูมิหรือโดยโลกอีกกลุ่มหนึ่งว่า มนุสโลกเทวโลกและพรหมโลกคำว่ามนุสโลกนั้นก็คือโลกเป็นที่อยู่ของมนุษย์ในความหมายหนึ่งและในยะหนึ่งนั้นก็หมายถึงการที่บุคคลได้ปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตนไปจนเข้าถึงความเป็นมนุษย์ทั้งนี้เพราะว่าคำว่ามนุษย์ในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้บ่งไปที่รูปร่าง หน้าตาเพียงอย่างเดียวแต่ได้กำหนดด้วยมาตรฐานทางศีลธรรมซึ่งบุคคลเหล่านั้นสามารถน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจนยกระดับจิตของตนให้สูงขึ้นดังนั้นคำว่ามนุษย์ท่านจึงแปลว่าสัตว์ที่มีใจสูงเราจะเอาอะไรเป็นมาสในการวัดความมีใจสูงของสัตว์ล่านั้นข้อนี้ท่านกาหนดเอาไว้ว่า กุศลกรรมบททั้งสิบประการชื่อว่ามนุษยธรรมเพราะฉะนั้นกุศลกรรมบททั้งสิบประการจึงเป็นมาสเป็นเครื่องวัดความเป็นมนุษย์ของคนทั้งหลายข้อนี้ท่านที่เคยเกี่ยวข้องกับการบรรพชาอุปสมบทของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาคงจะได้ยินคำถามที่พระคู่สวดถามเจ้านาคจุดคำหนึ่งว่ามนุษย์โซสิที่แปลว่า เธอเป็นมนุษย์หรือเจ้าน่าก็บอกว่าอามะพันเตครับผมซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคำว่ามนุษย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเป็นมนุษย์โดยรูปร่างแต่พูดถึงความเป็นมนุษย์โดยมาตรฐานทาง จ, จิตใจว่า <S <S ไดพัฒนาไปจนอยู่ในกรอบของกุศลกรรมบุตรแล้วหรือยังการตอบยืนยันลงไปเช่นนั้นก็แสดงว่า ท่านผู้นี้ปฏิบัติได้เพราะว่าก่อนจะถามคำพูดประโยคนี้มาท่านก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรมาแล้วถามก่อนจะบวชเป็นพระภิกษุจึงไม่มีปัญหาในด้านมาตรกำหนดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ภายในจิตใจกุศลกรรมบททั้งสิบประการคืออะไรคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จ ไม่พูดคําหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพลื่อเจิดเร็วไหไม่โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นไม่พยาบามตรปองร้ายบุคคลอื่นและเห็นชอบตามทํานองครองธรรมในด้านหัวข้อของธรรมะผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะเห็นว่ามีหัวข้อมากเหลือเกินคือมีตั้ง10บข้อด้วยกันแต่ว่าตัวการสําคัญจริงๆอยู่ที่ความเห็นชอบตามทํานองครองธรรมซึ่งเป็นข้อที่สิบเท่านั้นเอง เมืบุคคลมีความคิดเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิคือยุติโดยหลักด้วยเหตุด้วยผลตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และตามที่ตนได้ไข้ครวญพินิษพิจารณาตนพิจิตรพิสูจน์ได้ว่านั่นคือความจริงแท้แน่นอนก็ถือว่าความคิดเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองจะเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาและทางจิตใ จ, จของบุคคล ให้อยู่ในจิตที่สูงเหนืออำนาจของกิเลส ท, ที่รุนแรงอำนาจของอารมณ์ที่มายั่วยุจากภายนอกโดยทั่วๆไปการปฏิบัติในลักษณะนี้ก็เป็นมาตรฐานทางศีลและธรรมที่บุคคลสามารถคิดเอาได้นึกเอาได้ทำตนเองเป็นอุปมาได้มนุษย์ยังมีความโลภอยู่แต่ข้อสำคัญว่าอย่าโลภอยากได้ของของคนอื่นเท่านั้นเอง เมื่อต้องการปรารถนาอะไรก็ใช้ความเพียรพยายามเพื่อได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นในทางที่ชอบทำยังมีความโกรธอยู่แต่ก็ไม่เก็บความอาฆาตพยาบาทเอาไว้เพราะคิดได้ว่าการเก็บความอาฆาตพยาบาทไว้ภายในใจเหมือนกับการจุดไฟขึ้นเผาลวนใจตนเองไม่เป็นประโยชน์ไม่เกือ้อกูลและไม่อำนวยความสุขให้แก่ตนความคิดเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้และควบคุมได้ ด้วยความเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิของบุคคลนั้นๆดังนั้นความหมายของมนุษย์อีกในยะหนึ่งท่านจึงแสดงว่ามนุษย์ได้แก่สัตว์ที่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์คือมนุษย์สามารถจำแนกแบ่งแยกสิ่งทั้งหลายที่ตนประสบได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์คือสามารถใช้เหตุผล ในการดำรงชีวิตได้นั่นเองความหมายของมนุษย์ในยะหนึ่งท่านจึงบอกว่ามนุษย์คือสัตว์ที่มีเหตุผลอันเป็นการแสดงว่าจิตใจที่พัฒนามาถึงความเป็นมนุษย์มีสมา ธ, ธิเป็นหลักคุ้มครองใจสมา ธ, ธิเป็นอาการของปัญญาเมื่อคุ้มครองใจบุคคลแล้วสามารถช่วยให้บุคคลคิดทาพูดอย่างมีเหตุผลได้ และสามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นคุณและเป็นโทษเป็นต้นด้วยการรู้และเข้าใจเช่นนี้สามารถช่วยให้บุคคลผู้นั้นละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มาประพฤติมากระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ในกรณีที่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเหตุนี้ก่อให้เกิดผลอย่างไร ผล น, นั้นเกิดมาจากเหตุอะไรเป็นต้นก็ทำให้บุคคลผู้ปรารถนาความสุขความเจริญแก่ตนละเว้นเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนมาประกอบเหตุแห่งความสุขความเจริญและในกรณีที่ประสบผลซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของตนมนุษย์ก็สามารถย้อนกข้มาหาเหตุได้ว่าผลที่เกิดขึ้นนี้มาจากเหตุอะไร ก็จะไม่ว้าวุ่นสับสนในการดำารงชีวิตสามารถที่จะตัดสินปัญหาซึ่งเกิดขึ้นได้และคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นให้บรรพาเบาบางลงไปได้การสแสวงหาเหตุที่ปรากฏเฉพาะคลของคนที่เป็นมนุษย์นั้นจะไม่สแสวงหาจากปัจจัยภายนอกแต่จะวิเคราะห์ค้นคว้าดูที่อาการกายวาจาและความนึกคิดของตนนั่นเอง เพราะเมื่อผลเกิดขึ้นแก่ตนตัวเหตุก็ต้องมาจากตนเช่นเดียวกับผลที่อยู่บนต้นมะพร้าวตัวเหตุก็คือต้นมะพร้าวนั่นเองเป็นเหตุให้เกิดเป็นผลมะพร้าวขึ้นมาฉะนั้นนี่แสดงเห็นว่าความเป็นมนุษย์ในลักษณะนี้เป็นภูมิของจิตเป็นชั้นของจิตที่บุคคลผู้ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์โดยรูปร่างกายแล้ว จะต้องใช้ความเพียรพยายามอีกชั้นหนึ่งจึงสามารถยกระดับจิตของตนให้สู่ความเป็นมนุษย์ได้ซึ่งการเพียรพยายามประพฤติปฏิบัตินั้นถ้าหากว่าเริ่มด้วยความคิดที่เป็นสมาสังกัปปะคือความดําริในทางที่ชอบแล้วความเห็นก็จะเป็นไปในทางที่ชอบเนื่องจากอาการกายวาจาของบุคคลบงการมาจากจิต คิดก่อนพูดคิดก่อนทำเมื่อความคิดเห็นเป็นสมาธิธิแล้วอาการกายวาจาก็จะเป็นสุดจริตไปเององค์ธรรมถึงแม้จะมากแต่ในชั้นการประพฤติปฏิบัติกลับไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลยโลกประการที่สองนั้นเรียกว่าเทวโลกเมื่อกล่าวโดยพบโดยภูมิก็หมายถึงสวรรค์นในชั้นต่างๆ การที่บุคคลจะบังเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นๆได้ก็ต้องอาศัยกุศลธรรมมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการประพฤติปฏิบัติธรรมะในชั้นนั้นๆซึ่งอานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมแต่ละข้อในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรรมฐานนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงสรุปไปในข้อสุดท้ายทุกแห่งว่าเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตก ย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ดังนี้อันเป็นการเชี่ยวเห็นว่าบุญกุศลที่บุคคลกระทำไว้ในปัจจุบันนั้นบางอย่างจะไปให้ผลในชั้นของการตกแต่งภพชาติ <c oughs> คือส่งบุคคลให้ไปบัตบังเกิดในกำเนิดที่ดีในภพในโลกที่ดีคำว่าสวรรค์จึงหมายถึงอารมณ์เลิศคือหมายถึงว่ามีรูปดีด มีเสียงดีๆมีกลิ่นดีๆมีรถดีๆมีสัมผัสดีๆและจิตใจของเทวดาทั้งหลายนั้นจะมีความเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงหาความสนุกสนานให้แก่ชีวิตของตนได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นคำว่าสวรรค์หมายถึงภูมิแห่งจิตก็ได้คือชั้นแห่งจิตและอัตภาพที่เป็นมนุษย์นี้เอง บุคคลสามารถยกระดับจิตของตนผ่านพ้นจากชั้นของเป็นมนุษย์ไปเข้าสู่ความเป็นชั้นของเทวดาด้วยการพยายามให้ฮิริคือความละอายแก่ใจโอตปะปคือความสะดุ้งกลัวต่อาบาปซึ่งเป็นสุขธรรมคือธรรมะฝ่ายขาวเกิดขึ้นมากพอที่จะคุ้มครองใจรักษาใจของตนได้ ทิและอัตตะที่บุคคลก่อให้เกิดขึ้นได้นั้นจะทำหน้าที่สองอย่างอย่างแรกก็คือละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำบาปนานาประการไม่ว่าจะเป็นด้านทางกายทางวาจาหรือแม้จะคิดด้วยใจก็ตามและในขณะเดียวกันจะทำหน้าที่ปิดกั้นกระแสะแห่งอกุศลทั้งหลายไม่ให้บังเกิดขึ้นครอบงาจิตใจ นั้นฮิริจึงเป็นธรรมหิริโอตตปะจึงเป็นธรรมที่คุ้มครองใจด้วยคุ้มครองโลกด้วยพระบุตรีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่าธรรมทั้งสองข้อนี้เป็นโลกกาลาธรรมคือธรรมที่คุ้มครองโลกถ้าหากว่าสารปรโลกทั้งหลายปราศจากเสียซึ่งหิริและโอตตปะแล้วความสับสนวุ่นวายความทุกข์เดือดร้อนการข่มเหงกั น, นเองไร และการล้างพรานกันเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นโลกก็จะคงความเป็นโลกอยู่ไม่ได้ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่สามารถพัฒนาจิตขึ้นไปจนมีฮิริคุ้มครองจิตได้ในชีวิตประจำวันภูมิแห่งจิตด้วยชั้นแห่งจิตของบุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าเข้าถึงความเป็นเทวะที่แปลว่าผู้ประเสรศิฐหรือเป็นเทวดา เพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่มีหิริโอตตปะเป็นเครื่องเป็นเป็นเครื่องคุ้มครองใจนั้นจะทำให้บุคคลผู้นั้นไม่มีความขูดมัวสร้างหมองปรากฏอยู่ภายในจิตเพราะว่าบาปตนก็ไม่ได้กระทำอารมณ์ที่ขูดมัวสร้างหมองก็ปิดกั้นเอาไว้ด้วยหิริไดโอตตปะความผ่องใสาภายในจิตก็จะบางเกิดขึ้น เวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องโพฏฐะและรู้ธรรมารม์ด้วยใจก็ปล่อยให้รูปเสียงกลิ่นรสที่ดีๆเท่านั้นเข้าไปสู่จิตไปสรึกนึกส่วนรูปที่ไม่ดีก็ไม่ก่อไม่ปล่อยให้เข้าไปสู่จิตใจของตนความขุนมัวเศร้าหมอง ก, ก็ไม่มีอยู่ภายในจิตเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงแสดงไว้เป็นรูปของพระพุทธภาสิตราบุคคลใดที่สมบูรณ์ด้วยฮิริและเอลตาปะซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายขาวคือฝ่ายกุศลนั้นสัตว์บุรุษทั้งหลายเรียกบุคคล น, นั้นว่าเป็นเทวธรรมหรือมีเทวธรรมได้แก่ธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาสัตว์โลกอีกพวกหนึ่งเรียกว่าพรหมโลก หมายถึงพบหรือภูมิที่เป็นโอกาสสโลกโลกคือแผ่นดินแห่งใดแห่งหนึ่งเพราะเวลาใช้คำเหล่านี้ทรงใช้คำอยู่สองคำโลกนี้ใช้คำว่าอิทะโลกส่วนโลกอื่นใช้คำว่าปรโลกและได้แสดงถึงความห่างไกลของโลกมนุษย์กับพรหมโลกโดยอุปมาว่าหากบุคคลทิ้งภูเขา ขนาดใหญ่ลงมาจากพรหมโลกภูเขานั้นจะใช้เวลาเดินทางถึงสี่เดือนจึงจะถึงมนุษย์สีโลกอันเป็นการแสดงเห็นว่าพรหมโลกนั้นอยู่ไกลามากและเป็นดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งที่มีอากาศทรัพยากรธรรมชาติจริงต่างๆเป็นต้นดีพิเศษกว่าโลกมนุษย์อันเป็นสิ่งแวดล้อมช่วยให้จิตใจของสัตว ที่ได้อุบัติบังเกิดในสถานที่นั้นมีความสงบมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นภายในจิตได้ง่ายแต่ตัวพื้นฐานสำคัญยังได้ชี้ไปที่ภูมิแห่งจิตคือชั้นแห่งจิตที่บุคคลสามารถประพฤติปฏิบัติให้อุบัติเป็นพรหมได้ด้วยจิตในชีวิตปัจจุบันนี้เองวิธีทางดาเนินนั้น ก็มีอยู่สองสายด้วยกันสายแรกก็คือดำเนินไปตามหลักของสมถะกรรมฐานที่กำลังประพฤติปฏิบัติกันจุ่นี้จนจิตใจมีความสงบระงับดับนิวรธรรมทั้งหลายลงไปได้คือสงบนิวรไปได้ไม่เกิดขึ้นกรุ่มรุมใจชั้นแห่งจิตของบุคคลผู้ปฏิบัติถึงชั้นนี้ก็ชื่อว่าเข้าถึงความเป็นพรม โดยภูมิแห่งจิตหรือโดยชั้นแห่งจิตแล้วจะในขณะเดียวกันบุคคลอาจน้อมนำเอาพรห ม, มวิหารธรรมคือธรรมะอันเป็นหลักจิตของพรหมหรือหลักใจของผู้ใหญ่ทั้งสี่ประการมาประพฤติปฏิบัติคือสร้างความรู้สึกเมตตาปรารถนาดีต่อคนและสัตว์ทั้งหลายต้องการที่จะเห็นคนและสัตว์ทั้งหลาย อยู่กันอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันดำรงชีวิตอยู่เป็นสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนเมื่อสัตว์ทั้งหลายประสบความทุกข์ก็แผ่กรุณาจิตไปต้องการที่จะเห็นสัตว์เหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อสัตว์ทั้งหลายมีความเจริญดำรงมั่นอยู่ในความ ก้าวหน้าในเกียรติยศของตนบุคคลก็มีมุติตาจิตคือพลอยเชิดเพลิดเพลิน ย, ยินดีในความเจริญก้าวหน้าของสัตว์และบุคคลเหล่านั้นในกรณีที่เปรยชนคนที่รักของตนและคนที่เป็นศัตรูของตนประสบทุกโทษเพราะกรรมคือการกระทำของเขาเหล่านั้นก็คุมจิตใจให้เป็นกลางไว้ได้ไม่แสดงอาการเสียใจ เมื่อเบียชนประสบความพิบัติด้วยกรรมของเขาและไม่แสดงความดีใจเมื่อคนที่เป็นศัตรูประสบด้วยประสบความพิบัติเพราะกรรมของเขาทําจิตให้อย่างลงสู่กฎแทงกรรมอย่างที่สวดกันว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมมันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตาม ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นพราวิหารธรรมทั้งสี่ประการที่บุคคลน้อมนำมาเป็นหลักคุ้มครองใจนั้นเมตตาเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่ขยจัดความพยาบาทความอาฆาตปองร้ายให้ออกไปและควบคุมใจเอาไว้ไม่ให้ตกไปสู่อำนาจของฉันทากติคือความลำเอียงพรารักใครกัน กุณาเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่กระจัดวิหิงสาคือความรู้สึกเบียดเบียนต้องการเห็นความพินาศเดือดร้อนและภัยอันตรายบังเกิดขึ้นแก่คนและสัตว์ทั้งหลายและควบคุมใจเอาไว้ไม่ให้เกิดโสกะความเศร้าโศกเมื่อสัตว์เหล่านั้นไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มุติตามื่อบังเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่ขจัดอิจฉาริษยา ในความดีของบุคคลอื่นและควบคุมจิตเอาไว้ไม่ให้เกิดโลภะอยากมีส่วนร่วมในความเจริญก้าวหน้าของบุคคลเหล่านั้นส่วนอุเบกขาเมื่อบังเกิดขึ้นนั้นก็จะคุ้มครองใจบุคคลเอาไว้ไม่ให้เกิดลำเอียงเพราะอากติอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ให้ลำเอียงเพราะความรักใคร่กันผูกพันกันเป็นการส่วนตัวไม่ให้เกิดความลำเอียงเพราะไม่ชอบกันเป็นการส่วนตัว ไม่ให้เกิดความลำเอียงเพราะความกลัวเป็นเหตุและไม่ให้เกิดความลำเอียงเพราะความหลงไม่รู้เหตุรู้ผลแต่สามารถประคับประคองจิตตนเอาไว้ให้อยู่ด้วยหลักธรรมไม่เกี่ยวข้องด้วยบุคคลเหลานั้นการประพฤติปฏิบัติในลักษณะนี้ก็ชื่อว่ามีพรหมวิหารธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจจิตใจของบุคคลก็เข้าสู่ภูมิหรือชั้นหรือระดับ ของความเป็นพรมอันเป็นการแสดงเห็นได้ว่าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นชี้ตัวเหตุและตัวผลซึ่งบุคคลสามารถสร้างขึ้นและสัมผัสได้ในชีวิตปัจจุบันทุกระดับคือบุคคลอาจจะตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ดิรดชานด้วยอัตภาพของมนุษย์ก็ได้ ในขณะเดียวกันก็อาจพัฒนาไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมตลอดถึงเป็นพระอริยะด้วยอัตภาพที่เป็นมนุษย์ก็ได้ดังนั้นเวลาแสดงธรรมะจึงเน้นไปที่สัมมาทิฏฐิเป็นหลักไว้เสมอทำไมจึงต้องมีสัมมาทิฏฐิเพราะสัมมาทิฏฐินั้นเองจะเป็นตัวแบ่งแยกว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ได้ชัดเจน ด้วยมือพื้นฐานทางจิตใจของบุคคลแล้วบุคคลจะมีความรักตนถนอมตนปรารถนาความเจริญก้าวหน้าแก่ตนจะได้อาศัยหลักของสมาธิธิเป็นเครื่องเป็นอุบายวิธีในการที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดำเนินชีวิตในทางเจริญเพื่อพัฒนายกระดับจิตของตนให้ผ่านพ้นไปหรือก้าวขึ้นไปสู่ชั้นนั้น ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์จึงยกย่องสันเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นโลกวิทูคือทรงรู้แจ้งโลกบุคคลผู้ปรารถนาจะเจริญพระพุทธคุณบทนี้ก็อาจจะภาวนาว่าอิติปิโสภควาโลกวิทูซึ่งแปลเป็นใจความว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลก ความสงบคือสมาธิก็จะบังเกิดขึ้นโดยลำดับเมือ่อน้อมนำมาพินิษพิจารณาก็จะเสริมสร้างศรัทธาภาษาธาตให้สูงขึ้นเวลาน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติบุคคลผู้นั้นก็จะสัมผัสโลกเข้าใจโลกอย่างแท้จริงสามารถปฏิบัติตนให้เหมาะให้ควรแก่กรณีแก่กรณีนั้นนั้นอันจะเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรม ตามหลักของพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป